ที่ชื่อว่าสังคตรูปเพราะถูกปัจจัยทั้งหลายปรุงแต่งชื่อว่าโลกิยะเพราะประกอบในโลกกล่าวคืออุปาทานขันธ์ชื่อว่ากามาวจรเพราะเป็นที่ท่องเที่ยวไปแห่งกามตัญหาชื่อว่าอนารัมมณนูปเพราะอตวิเคราะห์ว่าไม่มีอารมณ์เหตุรับอารมณ์อะไระไรดุจอรูปธรรม ท, ทั้งหลายไม่ได้ ชื่อว่าอัปหาตพารูปเพราะไม่มีความเป็นธรรมชาติอันพระโยคาวจรจะต้องละด้วยอำนาจตทางข้าปหารเป็นต้นอิติสั์เป็นประกาฐด้วยอิติสั์เป็นประกาศนั้นท่านพระอนุรุท ธ, ธาจารย์ย่อมรวบรวมนัยยะแห่งรูปมีอย่างเดียวทั้งหมดมีอัพยากตรูปเป็นต้นภาษาธรูปห้าอย่างชื่อว่าอจัตติกรูป เพราะเป็นธรรมชาติมุ่งเฉพาะคือเจาะจงตนกล่าวคืออัตภาพเป็นไปคาที่เกิดมีภายในแม้เหล่าอื่นมีอยู่แม้ก็จริงถึงอย่างนั้นภาษาทรูปห้ามีจักูุปภาษาทรูปเป็นต้นเท่านั้นชื่อว่าอัจฉติกรูปด้วยอำนาจศัพท์ที่ดา ด, ดื่นทั่วไปอีกอย่างหนึ่งภาษาทรูปห้า มีจกักกูภาสาทรูปเป็นต้นเท่านั้นชื่อว่าอัจฉติกรูปโดยพิเศษเพราะความเป็นธรรมชาติทำความเกื้อกูลอย่างดียิ่งแก่อัตภาพคล้ายจะพูดว่าถ้าหากพวกเราไม่มีท่านก็จะเป็นดุจท่อนไม้อีกอย่างหนึ่งชื่อว่าอัจตะเพราะอัตวิเคราะห์ว่วามุ่งเฉพาะจิตกล่าวคือตนเป็นไปโดยความเป็นทวารของจิตนั้น อจตะนั่นเองเป็นอัจติกะรูปนอกนี้คือรูปยี่สิบสามอย่างชื่อว่าพาหิรรูปเพราะเป็นธรรมชาติเกิดในภายนอกแต่รูปที่เกิดในภายในนั้นรูปหกอย่างกล่าวคือภาษาทรูปห้าอย่างมีจกักขุปาษาทารูปเป็นต้นนั่นเองและหัถยรูปชื่อว่าเป็นวัตถุรูป รูปนอกนี้คือรูปยี่สิบสองอย่างไม่ชื่อว่าเป็นวัตถุรูปรูปแม้ทั้งแปดอย่างชื่อว่าอินทร์รูปเพราะประกอบด้วยความเป็นใหญ่ในปัญจวิญญาณจิตในเพศเป็นต้นและในการหล่อเลี้ยงรูปที่เกิดร่วมกันความจริง ภาาทารูปห้าอย่างชื่อว่ามีความเป็นใหญ่ในจักกุวิญญาณจิตเป็นต้นเพราะยังจักกุวิญญาณจิตเป็นต้นแม้เหล่านั้นให้ถึงความกล้าแข็งและอ่อนแอในเมื่อตนกล้าแข็งและอ่อนแอเป็นต้นเป็นอาทิแม้ภาวะรูปทั้งสองอย่างก็ชื่อว่ามีความเป็นใหญ่ในเพศหญิงเป็นต้นเพราะ เพศหญิงเป็นต้นเหล่านั้นแม้เกิดขึ้นอยู่ด้วยปัจจัยตามที่เป็นของตนก็เกิดขึ้นโดยอาการนั้ น, น, นในสันดานที่เป็นเองนั่นแลโดยมากแต่หาชื่อว่ามีความเป็นใหญ่เพราะความเป็นอินทรีย์ปัจจัยไม่อันหนึ่งชีวิตรูปชื่อว่ามีความเป็นใหญ่ในการหล่อเลี้ยงกรร ม, มชรรูปเพราะการตั้งอยู่ได้ชั่วขณะจิตตามปัจจัยของตน แห่งกรร ม, มชรูปเหล่านั้นเนื่องด้วยชีวิตินทรียและตนเองก็เป็นไปได้โดยความเกี่ยวเนื่องกับธรรมที่ตนตั้งไว้นั่นเองเปรียบเหมือนชาวเรือเป็นไปได้โดยความเกี่ยวเนื่องกับเรือฉะนั้นรูปทั้งสิบสองอย่างกล่าวคือภาษาทรูปห้าและโคจารารูปเจ็ดชื่อว่าโอลาริกรูป เพราะเป็นธรรมชาติหยาบด้วยอำนาจถึงภาวะเป็นอารมณ์และภาวะรับอารมณ์ได้สันติเกรูปชื่อว่ารูปไกลเพราะกําหนดรู้ทำได้ง่ายกว่ารูปไกลนั้นนั่นแลภาวะที่ภาษาทรูปทั้งหลายมีจั ก, กุระสาทรูปเป็นต้นถึงพร้อมแล้วด้วยอำนาจตนเองเป็นที่อยู่อาศัยและ ที่โคจรรูปทั้งหลายมีรูปารมเป็นต้นไม่ถึงพร้อมแล้วประจบกันคือตกลงร่วมกันและกันเป็นดุดกระทบกันเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าปฏิฆะเปรียบเสมือนเมื่อคนแข็งแรงสองคนปะทะกันคนอื่นที่อ่อนแอย่อมปลอยกระทบกระเทือนไปด้วยฉันใดเมื่อปาสาทรูปกับโคจรรูปประจบกันและกัน พวังคจิตซึ่งมีพลังอ่อนเพราะมีสภาวะเป็นอรูปธรรมย่อมพลอยไหวไปด้วยฉันนั้นปาติคะย่อมมีแก่รูปใดรูปนั้นชื่อว่าสับปฏติขรูปบันดิตพึงเห็นความหมายว่าบรรดาโคจะรักคาหิกรูปวงเล็บเปิดบรรดารูปที่รับอารมณ์ได้วงเล็บปิดนั้น กายภาษาทรูปกับโพธภารลมย่อมกระทบกันได้ด้วยตนเองขานาภาษาทรูปกับคันธารลมและชิวหาภาษาทรูปกับรส า, ารมย่อมกระทบกันและกันได้ด้วยอำนาจภู้รูปเป็นที่อาศัยอยู่จกักขุภาสาทรูปกับรูปารลมและโตะะสตภาษาทรูปกับสัทธารลมย่อมไม่ถึงพร้อมกันแม้ทั้งสองฝ่าย รูปนอกนี้คือรูปทั้งสิบหกอย่างชื่อว่าสุขุมรูปเพราะไม่มีสภาวะมีความเป็นธรรมชาติหยาบเป็นต้นรูปสิบแปดอย่างที่เกิดแต่กรรมชื่อว่าอุปาทินนักรูปเพราะเป็นธรรมชาติถูกกรรมที่ประกอบด้วยตนหาและทิฏฐิยึดแล้วคือถือแล้วโดยความเป็นผลของตนรูปนอกนี้คือรูปสิบอย่างโดยระบุถึงรูป ที่ยังไม่ได้ระบุถึงชื่อว่าอนุปาทินนักรูปรูปายตนะใดย่อมเป็นไปพร้อมกับด้วยนิทัศนะกล่าวคือภาวะที่บุคคลจะพึงยนได้เพราะเหตุนั้นรูปายตนะนั้นชื่อว่าสนิทัศนะความจริงภาวะที่เป็นอารมณ์แห่งจักขุวิญญาณจิตท่านาเรียกว่านิทัศนะ ก็เมื่อ น, นิทัศนะนั้นแม้จะไม่เป็นอย่างอื่นจากรูปายตนะเพื่อจะให้นิทัศนะนั้นต่างจากคำเราอื่นสมควรกล่าวให้เป็นดุดธรรมอื่นว่าธรรมชาติที่เป็นไปพร้อมกับด้วยนิทัศนะชื่อว่าสะนิทัศนะดังนี้ความจริง ความแปล ก, กันซึ่งทำความต่างกันในธรรมทั้งหลายที่เป็นอย่างเดียวกันโดยเป็นสภาวะธรรมเหมือนกันสมควรแล้วที่จะอ้อมค้อมทำให้เป็นดุจธรรมอื่นความจริงความเข้าใจความต่างกันแห่งความหมายย่อมมีได้ด้วยวิธีการอย่างนี้บทว่าอาศัมปตวเสนเป็นต้นความว่า ด้วยอำนาจอารมณ์วงเล็บเปิดรูปารมณ์และสัทธารมณ์วงเล็บปิดที่ยังไม่ถึงตนวงเล็บเปิดจักขุปัสสาทารูปและโสตปัาสาทรูปวงเล็บปิดหรือด้วยอำนาจตนวงเล็บเปิดจักขุปัสสาทารูปและโสตปรสสาทารูปวงเล็บปิดยังไม่ถึงส่วนแห่งอารมณ์ขวามจริงจักขุปัสสาทารูปและโสตปรสสาทารูปอันรูปารมณ์และสัทธารมณ์ยังไม่ถึงตน ก็รับอารมณ์ได้หรือว่าตนเองวงเล็บเปิดจักขู่ภาษาทรูปและโสตประสาทรูปวงเล็บปิดยังไม่ถึงรูปารมณ์และสัทธารมเหล่านั้นเลยก็รับอารมณ์ได้เพราะเหตุ น, นั้นพระโบูรณาจารย์ทั้งหลายจึงกล่าวถ้อยคําไว้ทังนี้ว่าก็บรรดาประสาทรูปห้าประการเหล่านี้จักขูปภาษาทรูปและโสตประสาทรูป ย่อมรับอารมณ์ที่ยังไม่ถึงตนได้เพราะเป็นเหตุให้วิญญาณจิตวงและเปิดจกขู่วิญญาณจิตและโสตวิญญาณจิตวงและปิดเกิดขึ้นในอารมณ์ที่มีสิ่งอื่นขั้นในระหว่างและไกลจริงอย่างนั้นจะขู่ภาษาทรูปย่อมมองเห็นรูปารมณ์ซึ่งอยู่ในที่ไกลก็ได้ รูปารมณ์ที่อยู่ภายในแห่งวัตถุปโปร่งแสงมีแก้วผลึกเป็นต้นก็ได้และรูปารมณ์ที่ใหญ่มีภูเขาเป็นต้นก็ได้สัตวารมณ์ที่อยู่ในอากาศสธาตเป็นต้นแม้ที่อยู่ในภายในหนังท้องและที่ดังมีเสียงระคังเป็นต้นย่อมเป็นอารมณ์ของโสตประสาทรูปได้ หากบุคคลผู้ท้วงบางคนพึงกล่าวท้วงว่าจะขู่ภาษาทรุปและโสตตาภาษาทรุปนั้นแพ่ไปถึงส่วนแห่งอารมณ์แล้วจึงรับรูปารมณ์และศัท ธ, ธารมณ์นั้นได้ดังนี้มีการประกอบความว่าแม้ในเวลาที่ท่านผู้บำเพ็ญเพียรทำการอธิษฐานอภินยาวงเล็บเปิดที่ประจักุยานและ ทิพสะโสตยานวงเล็บปิดรูปอารมณ์และสัท ธ, ธารมณ์นั้นก็พึงเป็นอารมณ์ของจกักขุภาษาทรูปและโสตภาษาทรูปอันได้หากรูปารมณ์และสัท ธ, ธารมณ์นั้นย่อมไปถึงที่ดํารงอยู่แห่งอินทรีย์วงเล็บเปิดจกักขุนรีและโสตินทรีย์วงเล็บปิดเพราะเกี่ยวเนื่องกันแห่งภูตรูป รูปารมณ์ที่เกิดแต่กรรมจิตและอาหารและสัทธารมณ์ที่เกิดแต่จิตย่อมเป็นอารมณ์ของจกักขุประาทรูปและโสตประสาทรูปรรเหล่านั้นไม่ได้เพราะรูปารมณ์และสัทธารมณ์เหล่านั้นย่อมไม่เกิดมีในภายนอกในวงเล็บร่างกายอันหนึ่งในพระบาลีวงเล็บเปิดพระบาลีคมพีประธานวงเล็บปิด พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสรูปอารมณ์และสัทธารมณ์เหล่านั้นว่าเป็นอารมณ์ของจกักขุปสาทรูปและโสตปสาทรูปนั่นแหละไว้โดยไม่ต่างกันก็ถ้าว่าจากักขุปสาทารูปและโสตปสาธรูปทั้งสองนี้รับได้เฉพาะรูปอารมณ์และสัทธารมณ์ที่ใกล้ตนเท่านั้นไซอันหนึ่ง จากกุปาธรูปก็จะพึงมองเห็นดวงตาและโคนขนตาได้การกำหนดทิศและสถานที่แห่งสัทธารมก็จะไม่พึงมีและลูกสอนก็จะพึงกบไปในหูของตนของนายขมังธนูผู้ยิงกามเสียง รูปห้าอย่างชื่อว่าโครจรคาหิกรูปเพราะมีสภาวะเป็นธรรมชาติอันวิญญาณจิตอยู่อาศัยรับอารมณ์นั้นๆได้รูปนอกนี้คือรูปยีสามอย่างชื่อว่าอโครจรคาหิกรูปเพราะรับอารมณ์ไม่ได้สภาวะที่ชื่อว่าวันนะเพราะอัตวิเคราะห์ว่าอันบุคคลพึงยนคือพึงดู ธรรมชาติที่ชื่อว่าโอชาเพราะอัตวิเคราะห์ว่าให้รูปเกิดในลำดับต่อจากตนเกิดขึ้นรูปแปดประการชื่อว่าอาวินิโภกรูปเพราะไม่มีความพลัดพรากกันและกันคือความเป็นไปแยกแยะ ก, กันแม้ในอารมณ์ไห น, ไหนก็แม้มติของท่านผู้เมกล่าวว่าคันธารลมเป็นต้น ไม่มีในโลกที่เป็นรูปาวจรถูกอาจารย์ทั้งหลายคัดค้านเสียแล้วในที่นั้น น, น, นั่นเองอิติศัพท์แม้ในคำว่าอิเจวังนี้เป็นปการัฐถัดด้วยอิติศัพท์ที่เป็นปการัฐนั้นท่านพระอนุรุท ธ, ธาจารย่อมประมวลประเภทแห่งรูปมีรูปสองอย่างและรูปสามอย่างเป็นต้นทั้งหมด แม้ที่ยังไม่ได้มาในรูปวิภาคในนี้ท่านพระอนุรุท ธ, ธาจารย์คำนึงถึงคำถามว่าก็สมุดฐานแห่งรูปมีกรรมเป็นต้นเหล่านั้นคืออะไรเป็นสมุดฐานแห่งรูปได้อย่างไรที่ไหนและเมื่อไรจึงกล่าวคำว่าตัดฐะดังนี้เป็นต้น ข้อว่าปฏิสันธิมุปาทายะได้แก่เริ่มต้นแต่อุ ป, ปาทาขคณะแห่งปฏิสุนทิจิตสองบทว่าคะเนคะเนความว่าทุกขณะจิตดวงละสามขณะมีคำที่ท่านกล่าวอธิบายไว้ว่าติดต่อกันเรื่อยไปทีเดียวส่วนอาจารย์อีกพวกหนึ่งคัดค้านทิติขณะแห่งจิตและ ความเกิดขึ้นแห่งรูปในพังคะขณะแห่งจิตบรรดาความไม่มีถิติขณะแห่งจิตและความไม่มีความเกิดขึ้นแห่งรูปในพังคะขณะแห่งจิตนั้นเหตุเกิดขึ้นวงเล็บเปิดแห่งการกล่าววงเล็บปิดในความไม่มีถิติขณะแห่งจิตของอาจารย์อีพวกหนึ่งเหล่านั้น และคำเฉลยที่จะพึงกล่าวในการกล่าวคัดค้านทิฏฐิขณะแห่งจิตนั้นข้าพระเจ้าวงได้เปิดพระสุมังครลาจารย์วงไ็้ปิดกล่าวไว้เสร็จแล้วข้างต้นแม้โดยแท้ถึงอย่างนั้นเพื่อนักศึกษาจะเข้าใจได้ง่าย ข้าพเจ้าจึงรวบรวมกล่าวข้อความพร้อมทั้งเหตุเกิดขึ้นวงและเปิดแห่งการกล่าวและปิดในความไม่มีความเกิดขึ้นแห่งรูปในพังคะขณะแห่งจิตและคำเฉลยที่จะพึงกล่าวในการกล่าวคัดค้านความเกิดขึ้นแห่งรูปในพังคะขณะแห่งจิตนั้นไว้ แม้ในการกล่าวพรณ น, นาความป ร, ริเฉตที่หกนี้อาจารย์บางท่านคัดค้านความเกิดขึ้นแห่งรูปในพังค ข, ขณะแห่งจิตว่าในการจำแนกปัญหาทั้งหลายเป็นต้นอย่างนี้ว่า จิตเกิดขึ้นแล้วชื่อว่าเกิดขึ้นอยู่หรือดังนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเฉพาะพังค่าขณะแห่งจิตและอุ ป, ปาทคณะแห่งจิตเท่านั้นมิได้ตรัสถิติขณะแห่งจิตไว้ตามปัญหาพยากรณ์โดยนัยเป็นต้นว่าในพังค่าขณะจิตเกิดขึ้นแล้วและมิใช่เกิดขึ้นอยู่ในอุ ป, ปาทขณะจิตเกิดขึ้นอยู่เกิดขึ้นแล้วด้วยดังนี้ หากอาจารย์เหล่าอื่นจะพึงเข้าใจว่าทิฏฐิขณะแห่งจิตมีอยู่เพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถิฏฐิขณะแห่งจิตไว้ในพระสูตรว่าความเกิดขึ้นปรากฏอยู่ขวามดับไปปรากฏอยู่และภาวะแห่งธรรมซึ่งดำรงอยู่แปรไปเป็นอย่างอื่นปรากฏอยู่ดังนี้ แม้ในพระสูตรนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสความดำรงอยู่แห่งธรรมโดยความสืบเนื่องกันเพราะภาวะที่แปรไปเป็นอย่างอื่นหาไม่ได้แน่แท้ในธรรมอย่างเดียวกันและเพราะตรัสว่าปรากฏอยู่เพราะฉะนั้นทิติขณะแห่งจิตจึงไม่ปรากฏในพระบาลีแม้ความที่ทิติขณะไม่มีอยู่ในพระอภิธรรม ก็ย่อมเป็นการปฏิเสธเด็ดขาดโดยสิ้นเชิงเพราะในปัญหาที่ว่าในการใดสมุทัยสัตว์ของบุคคลใดดับลงในการนั้นทุกขสัตย์ของบุคคลนั้นย่อมเกิดขึ้นหรือดังนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงปฏิเสธความเกิดขึ้นแห่งทุกขสัตย์ในขณะสมุทัยสัตว์ดับลงด้วยพระพุทธพจนว่าโน วงเล่เปิดแปลว่าไม่ใช่วงเล่ปิดรูปจึงไม่เกิดขึ้นในพังคาขณะแห่งจิตเพราะฉะนั้นปัจจัยทั้งหลายแม้ทั้งหมดจึงเป็นเหตุให้รูปเกิดขึ้นได้เฉพาะในอุ ป, ปาทคณะแห่งจิตเท่านั้นในการกล่าวคัดค้านตามที่อาจารย์บางท่านกล่าวแล้วนั้นข้าพเจ้าในวงเล่พระสุมงกราจารย์ เปล่าเฉลยในวงเล็บดังก่าไปนี้ข้อที่ควรกาหนดพังคฆะขณะซึ่งต่างจากข้อที่ควรกาหนดอุปาทคณะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในธรรมอย่างเดียวกันนั่นเองฉันใดก็บัณฑิตพึงปรารถนาข้อที่ควรกาหนดมุ่งถึงพังคฆขณะฉันนั้นเหมือนกัน ข้อที่ควรกําหนดมุ่งถึงพังคะขณะนี้ชื่อว่าถิติขณะก็ถิติขณะนี้พระผู้มีพระภาคเจ้ามิได้ทรงแสดงไว้ในคมภีร์พระวิพังเพราะทรงแสดงในยะไว้วงเล็บเปิดเพราะทรงแสดงถิติขณะไว้โดยย่อวงเล็บปิดเพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงขณะสามประการมีอุปาทขณะเป็นต้นไว้เพื่อจะตรัส เฉพาะลักษณะแห่งสังคตธรรมเท่านั้นพระองค์จึงไม่ตรัสถิติขณะแห่งอสังคตธรรมที่สืบเนื่องกันไว้แม้ในพระสูตรนั้นก็เพราะในวงเล็บปะอุปสักคล้อยตามความหมายแห่งธาตุนั่นเองบทว่าปัญญายตินี้บัณฑิตพึงกําหนดความหมายว่าวิญญาญาเตวงเล็บเปิดแปลว่าอันบุคคลย่อมรู้แจ้งได้วงเล็บปิด ความไม่เกิดขึ้นแห่งรูปในพังคาขณะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ด้วยอำนาจจิตตะชรูปทั้งหลายหรือตรัสหมายถึงอรูปประพบเพราะว่าการประกอบความตามที่จะเข้าใจได้นี้เป็นสภาวะแห่งคำพีพระยะม ก, ก็เพราะเหตุดังนี้นั้นทิฏฐิขณะแห่งจิต ไม่ใช่ว่าจะไม่มีและในพังค่าขณะแห่งจิตไม่ใช่ว่ารูปจะไม่เกิดแลจิตสิบสี่ดวงคืออรูปวิบา ก, กจิตทั้งสี่ดวงย่อมให้รูปตั้งขึ้นไม่ได้เพราะเหตุวงหลือเปิดของวิบากเหล่านั้นวงหรือปิดมีการขัดแย้งต่อรูปนั้นหนึ่ง เพราะรูปไม่มีโอกาสหนึ่งเพราะเป็นสภาวะเกิดแต่การเจริญกรรมฐานที่มีการสำรอกรูปเป็นอารมณ์และวิญญาณในจิตทั้งสองฝ่ายในวงเล็บสิบดวงก็ย่อมให้รูปตั้งขึ้นไม่ได้เพราะไม่มีการประกอบด้วยองค์ฌานอันเป็นปัจจัยพิเศษในอันให้รูปเกิดเหตุนั้นจิต ทั้งสิบสี่ดวงจึงให้รูปตั้งขึ้นไม่ได้ดังนั้นท่านอาจารย์จึงกล่าวไว้ว่าวงเล็บเปิดจิตแม้เจ็ดสิบห้าดวงวงเล็บปิดเว้นอรูปวิบากจิตสี่และวิญญาณจิตทั้งสองฝ่ายในวงเล็บสิบดวงดังนี้ก็ปฏิสนธิจิตและจุติจิตย่อมไม่เป็นจิตอื่นวงเล็บเปิดจากพวังคจิตวงเล็บปิดเพราะรวมลงภายในพวังคจิต เก้าดวงนั่นแหละเหตุนั้นท่านอาจารย์จึงไม่ได้ทําการเว้นปฏิสนธิจิตและจุติจิตนั้นไว้ถึงแม้ไม่ได้ทําการเว้นไว้ก็จริงกระนั้นปฏิสนธิจิตก็ย่อมไม่เป็นจิตให้รูปตั้งขึ้นได้เพราะเป็นจิตที่เป็นไปอาศัยวัตถุวงแล็บเปิดคือหะไทยวงเล็บปิดอันทุรพล ซึ่งขาดปัจฉาชาติปัจจัยและอันอาหารเป็นต้นยังไม่อุปธรรมหนึ่งเพราะตนเป็นจิตที่จรมาหนึ่งเพราะตนยึดฐานของรูปที่มีจิตเป็นสมุดฐานดำรงอยู่ได้ด้วยรูปอันเกิดแต่กรรมทั้งหลายหนึ่งส่วนในจุติจิตพึงทราบวินิจฉัยดังกล่าวไปนี้ พระอัตฐกถาาจารย์กล่าวไว้ในอัตตกถาก่อนว่าจุติจิตของพระขีนาศพเท่านั้นย่อมให้รูปตั้งขึ้นไม่ได้เพราะมีความเป็นไปอันสงบอย่างดียิ่งในสันดานที่มีมูลแห่งวัตะอันสงบระ ง, งับแล้วดังนี้แต่อาจารย์ทั้งหลายมีท่านอานันทาจารย์เป็นต้นกล่าวว่าจุติจิต แม้ของสัตว์ทั้งหมดย่อมให้รูปตั้งขึ้นไม่ได้ดังนี้ก็การวินิจฉัยปฏิสนธิจิตและจุดติจิตเหล่านั้นบัณฑิตพึงเห็นโดยนัยะที่กล่าวไว้โดยย่อในมูลดีกาเป็นต้นและโดยพิสดารในอภิธรรมมัทะปกาสินีข้อว่าปัตมะวังขมุปาทายะความว่าจิตทั้งเจ็ดสิบห้าดวง ที่เกิดอยู่จำเดิมแต่พวังคจิตดวงแรกที่บังเกิดต่อจากปฏิสนธิจิตเท่านั้นย่อมอย่างรูปให้ตั้งขึ้นได้แต่ที่ดำรงอยู่หรือที่ดับอยู่หาอย่างรูปให้ตั้งขึ้นได้ไม่เพราะเป็นธรรมชาติประกอบด้วยความสามารถเป็นตัวให้เกิดรูปได้เฉพาะในอุปาทคณะโดยการได้อนันตระ ใจเป็นต้นที่ชื่อว่าอิริยาบถเพราะเป็นทางเป็นไปแห่งการสับเปลี่ยนคือกิริยาทางกายได้แก่การเดินเป็นต้นว่าโดยเนื้อความได้แก่ความเป็นไปแห่งรูปซึ่งกาหนดถึงอิริยาบถนั้นอปนาชวนาจิต ย่อมทรงแม้ซึ่งอริยบทนั้นไว้คืออุปธรรมอริยบทตามที่เป็นไปไว้เปรียบเสมือนเมื่อพระวังคจิตไม่ละกนด้วยวิถีจิตทั้งหลายเป็นไปอยู่อวัยวะทั้งหลายย่อมหยุดนิ่งฉันใดเมื่อจิตสามสิบสองดวงเหล่านี้และเมื่อจิตที่เป็นเครื่องตื่นยี่สิบหกดวงที่จะกล่าวอยู่กําลังเป็นไป อวัยวะทั้งหลายย่อมหยุดนิ่งฉันนั้นหามิได้ก็ในการนั้นอวัยวะทั้งหลายอันจิตอุปธรรมแล้วย่อมเป็นไปโดยความเป็นอิริยาบถตามที่เป็นไปแล้วนั่นแหลย่อมยังวิญญัติรูปให้ตั้งขึ้นอวัยวะทั้งหลาย ย่อมอยังเฉพาะอิริยาบถแห่งรูปให้ตั้งขึ้นอย่างเดียวหามิได้ก็ในอธิการว่าด้วยรูปสมุิฐานนี้พึงเห็นความหมายแม้ด้วยถ้อยคำที่ไม่แปลกกันว่าโวตขับพนะจิตและชาวนาจิตทั้งหลายเฉพาะที่เป็นไปทางมโนทวารย่อมให้วิญญาติรูปตั้งขึ้น และให้ความยิ้มแย้มเกิดขึ้นได้เหมือนกันเพราะความที่โวธถวนาจิตและชวนาจิตทั้งหลายที่เป็นไปทางทวานห้าเป็นธรรมชาติมีกำลังอ่อนแอ ร, รอกด้านก็ในอธิการว่าด้วยรูปสมุฐานนี้อิริยาบถก็ดีวินยติก็ดีที่พ้นจากรูปย่อมไม่มี แม้ก็จริงถึงอย่างนั้นจิตอันให้รูปตั้งขึ้นจะอุปธรรมอิริยาบถและให้วิญญัติเกิดได้ทุกดวงหามีไหมก็จิตดวงใดให้วิญยติรูปเกิดจิตดวงนั้นชื่อว่าอุปธรรมอิริยาบถโดยส่วนเดียวเพราะความที่อิริยาบถ ไม่แยกกันกับวิญยติเพื่อจะแสดงความต่างกันแห่งคำว่าอิริยาปถูปถัถมพระกันจะรูปชนกังนี้ท่านพระอนุรุทธาาจารย์จึงทำการระบุถึงอิริยาบทและวิญญตัติเป็นแผ น, นหนึ่งจากรูปบทว่าเตระสะความว่าโซมนัสสเชวนาจิต 3ดวงคือฝ่ายกุศลละจิตสี่ดวงฝ่ายอากุศลลจิตสี่ดวงฝ่ายกิริยาจิตห้าดวงปุถุชนทั้งหลายย่อมหัวเราะด้วยโสมนัสสัชาวนาจิตฝ่ายกุศลและฝ่ายอากุศล8ดดวงพระเศคาทั้งหลายย่อมหัวเราะด้วยโสมนัสสัชาวนจิตหดวงเว้นจิตที่สระคตด้วยทิฏฐิ ส่วนพระอเซขะทั้งหลายย่อมยิ้มแย้มด้วยกริยาจิตห้าดวงแม้ในบรรดาพระอเซกะเหล่านั้นพระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมยิ้มแย้มด้วยกริยาจิตฝ่ายสเหตุกะสี่ดวงเท่านั้นหายิ้มแย้มด้วยกริยาจิตฝ่ายอเหตุุกะไม่เพราะพระบาลีว่ากายกรรมทุกอย่างของพระผู้มีพระภาคพระพุทธเจ้า ผู้ทรงบรรลุพระญาณอันอะไรอะไรขัดขวางไม่ได้ในบรรดาอาติตังสยานเป็นต้นแล้วประกอบด้วยธรรมสามประการเหล่านี้เป็นกรรมมียานเป็นประธานเปลี่ยนไปตามพระญาณดังนี้ท่านอาจารย์ทั้งหลายจึงกล่าวว่าก็ความเป็นไปแห่งสิตุปาทจิต ที่เว้นจากวิจารณปัญญาหาสมควรแก่พระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่ก็เพราะอธิบายความดังกล่าวแล้วอย่างนี้ว่าก็เหตุแห่งการแย้มของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นแม้ผู้อันหสิตุปาทจิตให้เป็นไปอยู่ก็ชื่อว่าเป็นไปตามยานนั่นเองเพราะเป็นไปตามปุปเพนิวาสยานอนาคตังสยานและ ปรพพันยุตยานดังนี้พระอัฏฐกถาจารย์จึงกล่าวไว้ในอัฏฐกถาว่าหสิตุปาทจิตดวงนี้ย่อมเกิดขึ้นแก่พระพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นในที่สุดแห่งพระญาณทั้งหลายอันพระองค์ทรงบำเพ็ญแล้วพระชะ นั้นใครๆจึงไม่สามารถจะห้ามความเป็นไปแห่งฮสิตุปาทจิตนั้นแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้ภาวะที่อุตุและโอชาเป็นของเหมาะสมย่อมมีเฉพาะในถิติขณะเท่านั้นเพราะได้การอุปธรรมจากปัจชาชาตปัจใจเป็นต้น เพราะเหตุนั้นท่านพระอนุรุษทาจารย์จึงกล่าวคำว่าเตโชทาตุทิติป ต, ตาดังนี้เป็นต้ น, นอธิยรูปในวงเล็บหนึ่งและอินทรียารูปในวงเล็บ8 9. ก้าประการชื่อว่าเป็นกรรมมรรูปล้วนเพราะเกิดแต่กรรมอย่างเดียวความจริงรูปใดเกิดแล้วกำลังเกิดและจะเกิดรูปนั้นท่านเรียกว่ากรรมมรรูป เหมือนเรียกกรรมว่าทุตตกรรมฉะนั้นวิการลรูปสามประการมีละหุตารูปเป็นต้นไม่ชื่อว่าเป็นกรรมชมรูปเพราะเพ่งถึงปัจจัยที่เป็นปัจจุบันเมื่อกําหนดเนื้อความนอกไปจากนี้รูปทั้งหลายพึงเป็นภาวรูปทุกเมื่อเพราะเหตุนั้น ท่านพระอนุรุท ธ, ธาจารย์จึงกล่าวคำว่าลหุตาเปสัมโพติดังนี้รูป18บปประการคือรูปที่เกิดแต่กรรมอย่างเดียวมีเก้าประการและในบรรดารูปที่เกิดแต่สมุธฐานสี่รูปที่เกิดแต่กรรมนี้มีเก้าประการชื่อว่ากรรมชรูป รูปสิบห้าประการคือวิการะรูปห้าสัททรูปในวงเล็บหนึ่งอวินิโพครูปในวงเล็บแปดและปริเฉทรูปในวงเล็บหนึ่งชื่อว่าจิตตัชรูปรูปสิบสามประการคือสัททรูปหนึ่งวิการรูปสามมีลหุตารูปเป็นต้นอวินิโพครูปในวงเล็บ8ดและปริเฉทรูปในวงเล็บหนึ่ง ชื่อว่าอุตุชรูปรูปสิบสองประการคือวิการลรูปสามมีละหุตารูปเป็นต้นอวินิโภกรูปและปริเฉ ท, ทรูปชื่อว่าอาหารชรูปพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประกาศไว้แล้วว่าลักษณะรูปทั้งสี่ย่อมไม่เกิดแต่ปัจจัยอะไรอะไร เพราะเป็นสภาวะของรูปที่กำลังเกิดเป็นต้นคือที่กำลังเกิดกำลังแปรไปและกำลังแต ก, กสลายได้แก่เพราะเวเหตุสักว่าสภาวะเสร็จแล้วจะไม่มีลักษณะรูปมีชาติรูปเป็นต้นของตนอย่างเดียวดังนี้จึงอยู่จากขุเป็นต้นประกอบด้วยสังคตลักษณะ มีเกิดขึ้นเป็นต้นย่อมมีลักขณะรูปมีชาติเป็นต้นได้ฉันใดลักษณะรูปมีชาติรูปเป็นต้นไม่เป็นฉันนั้นหากชาติรูปเป็นต้นแม่นั้นพึงมีลักษณะรูปมีชาติรูปเป็นต้นไสแม้ลักษณะรูปทั้งสามนั้นก็ต้องมีลักขณะรูป มีชาติรูปเป็นต้นด้วยแลเมื่อเป็นเช่นนั้นก็ต้องถึงความไม่มีที่กำหนดเลยส่วนภาวะที่ชาติรูปเกิดแต่ปัจจัยไหนนซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุ ญ, ญาตไว้ในพระดำรัสเป็นอาธิว่าคือรูปายตนะละกะวรีการาหารทาเหล่านี้มีจิตเป็นสมุิฐานดังนี้แม้นั้น ก็พึงเห็นว่าทรงอนุญาตแล้วไม้เอาภาวะที่ปัจจัยอันให้รูปเกิดยังไม่หมดความพยายามเพราะอาศัยการให้รูปเกิดเป็นปัจจัยอันจะเข้าไปกำหนดได้โดยอาการผันแปรของคำที่กำลังเกิดในขณะเข้าถึงความเป็นปัจจัย แม้ในพระพุทธพจน์ที่ตรัสไว้ว่าดูกุภิกษุทั้งหลายชาติถูกปัจจัยปรุงแต่งอาศัยกันและกันเกิดขึ้นร่วมกันชราและมรณะถูกปัจจัยปรุงแต่งอาศัยกันและกันเกิดขึ้นร่วมกันดังนี้เป็นต้น ก็มีความต่อเนื่องกันดังนี้ว่าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าลักษณะรูปมีชาติรูปเป็นต้นเหล่านั้นถูกปัจใจปรุงแต่งและว่าอาศัยกันและกันเกิดขึ้นร่วมกันโดยเป็นลักษณะของสภาวธรรมที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นร่วมกันดังนี้เหตุนั้นพระโบรานาจารย์ทั้งหลายจึงได้กล่าวไว้ว่า ในพระบาลีวงเล็บเปิดในพระอภิธรรมวงเล็บปิดวงเล็บเปิดพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุญาตว่าวงเล็บปิดชาติเดรูปเกิดแต่ปัจจัยไหนไหนไว้โดยอ้อมวงเล็บเปิดและในพระสูตรวงเล็บปิดพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าวงเล็บเปิดในบรรดาลักษณะรูปมีชาติเดรูปเป็นต้นวงเล็บปิดสามประการ วงเล็บเปิดลักษณะรูปมีชาติเดอรูปเป็นต้นวงเล็บปิดถูกปัจจัยปรุงแต่งวงเล็บเปิดและว่าอาศัยกันและกันเกิดขึ้นร่วมกันวงเล็บปิดไว้วงเล็บเปิดเพราะลักษณะรูปทั้งหลายมีชาติเดอรูปเป็นต้นวงเล็บปิดเป็นสภาวะแห่งสังคดธรรมทั้งหลายก็เพราะรูปเหล่านี้เมื่อเกิดขึ้นแต่กรรมเป็นต้น หาตั้งขึ้นทีละอย่างไม่โดยที่แท้ย่อมตั้งขึ้นเป็นหมวดทีเดียวฉะนั้นเพื่อจะแสดงการกำหนดจำนวนหมวดและสภาวะตามที่มีปรากฏท่านพระอนุรุธทธาจารย์จึงกล่าวคำว่าเอกุปปาทาดังนี้เป็นต้นบทว่าสหาวุติโนความว่าอันมีความเป็นไปร่วมกันด้วยอำนาจรูป ที่อยู่ในกลาบแต่และอย่างแต่และอย่างหามีความเป็นไปร่วมกันด้วยอำนาจความเป็นไปร่วมกันและกันแห่งกลาบทั้งปวงไม่ที่ชื่อว่าทศกะเพราะอัถวิเคราะห์ว่ามีประมาณสิบคาว่าทศกะลนี้เป็นชื่อของรูปที่เกิดร่วมกันหมัวสิบแห่งรูปที่ท่านกําหนดด้วยจักขุภาษาธรูป หรือมีจักขูปัสสทรูปนั้นเป็นประธานวงเล็เปิดชื่อว่าจักขุทศสกะกลาบวงเล็ปิดแม้ในกลาบที่เหลือก็มีไยย a n ีถึงสัทธรูปก็เป็นอันท่านรวบรวมเข้าด้วยคำว่าวาจีวิญยติเพราะวาจีวิญยตินั้นเว้นสัทธรูปนั้นเสียหามีได้ไม่เพราะเหตุนั้น ท่านพระอนุรุท ธ, ธาจารย์จึงกล่าวคําว่าวจีวิญยติทักังดังนี้ท่านพระอนุรุท ธ, ธาจารย์ใส่ใจถึงปัญหาว่าก็รูปกลาบยี่สิบเอ็ดเหล่านี้แม้ทั้งหมดย่อมมีในที่ทุกสถานหรือว่าบางอย่างย่อมมีในที่บางแห่งจึงกล่าวว่าตัทะดังนี้ เป็นต้นบัดนี้ท่านพระอนุรุทธาาจารย์หวังจะแสดงความเป็นไปแห่งรูปเหล่านั้นด้วยอำนาจภพที่เกิดหนึ่งด้วยอำนาจประวัติการและปฏิสนธิการหนึ่งด้วยอำนาจกำเนิดหนึ่งจึงกล่าวคำว่าสภานิปิ ป, ปเนตานิดังนี้เป็นต้น บทว่ายถ า, ารหังได้แก่โดยสมควรแก่เหล่าสัตว์ผู้มีภาวะรูปนงเล็บสองและมีายาตนะบริบูรณ์เหล่าสัตว์ผู้เกิดในที่เป็นเท่าครมีกลีบดอกบัวและมนทินคันเป็นต้นชื่อว่าสังเสทิชสัตว์เหล่าสัตว์ชื่อว่าอุป ป, ปาติกะเพราะอัตวิเคราะห์ว่ามีการเกิดผุดขึ้นก็ในคาว่า โอปาติกานันจะนี้ท่านพระอนุรุท ธ, ธาจารย์ระบุถึงการเกิดผุดขึ้นอย่างพิเศษด้วยอำนาจกำหนดคติอย่างสูงสุดดุดในประโยคว่าหญิงแรกรุ่นควรให้แก่ชายรูปงามฉะนั้นข้อว่าสัตตะทศกานนีปาตุพวันติความว่าทศกาเจ็ดหมวดย่อมมีปรากฏ เพราะหาได้โดยความที่สังเสริศัตว์และอุป ป, ปาติกษตรมีอายตนะบริบูรณ์ข้อว่ากถาจินะลรับพันติได้แก่ในการบางคราวย่อมหาไม่ได้บ้างด้วยอำนาจคนพิการมีผู้บอดแต่กำเนิดหนวกแต่กำเนิดไม่มีคณะระษาทรูปแต่กำเนิด และกะเถยเป็นต้นพึงเห็นความหมายว่าในบรรดาสุขติและทุตติทั้งสองนั้นในสุขติสำหรับเหล่าอุปาปาติกสัตว์ที่บังเกิดด้วยกรรมที่มีอนุภาพมากไม่ได้จกขู่ภาษาทรูปโสตะระษาทรูปและคานประษาทรูปเพราะประกอบด้วยความบกพร่องแห่งอินทรีย์ สำหรับเหล่าสังเสริฐชสัตว์ไม่ได้ภาวะรูปด้วยอำนาจมนุษย์ต้นกับและอุป ป, ปาติกสัตว์แล่ส่วนในทุกติภูมิไม่ได้จักขุภาษาทรูปโสตภาษาทรูปและภาวรูปด้วยอำนาจเหล่าสัตว์แม้ทั้งสองพวกไม่ได้ขานาภาษาทรูปด้วยอำนาจเหล่าสังเสรชาสัตว์เท่านั้นมิใช่ด้วยอำนาจอุป ป, ปาติกสัตว์ จริงอย่างนั้นในคัมภีรธรรมะหัตยาวิพังโดยพระพุทธพจน์ว่าในขณะที่สัตว์เกิดขึ้นในกา마ธาตุในวงเล็บคือในกามาพบวงเล็บปิดอุปปาติกสัตว์บางต้นมีอายตนะปรากฏ11ประการวงเล็บเปิดบางตนมีอายตนะปรากฏสิบประการวงเล็บปิดบางตนมีอายตนะปรากฏสิบประการแม้อื่นอีก บางตนมีอายตนะปรากฏเกประการบางตนมีอายตนะปรากฏเจประการดังนี้เป็นต้นสำหรับอุปปาติกษัตริย์ผู้มีอินทรีย์บริบูรณ์พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอา ย, นายาตะะะะายนะส1บประการเวน้นสัตธายาตนะสำหรับอุปปาติกษัตริ์ผู้บอดตรัสอายตนะสิบประการเว้นจักขวายตนะสำหรับอุปปาติกษัตริ์ผู้โหนก็เหมือนกัน คือตรัตอายตนะสิประการเว้นโสตายตนะสำหรับอุปปาติกษัตริย์ผู้ทั้งบอดทั้งนวกตรัตอายตนะ9ประการเว้นจักขวายตนะและโสตายตนะทั้งสองนั้นสำหรับค้าพระสายกษัตริย์ตรัตอายตนะเจประการเว้นจักขวายตนะโสตายตนะคานายตนะชิวหายตนะและสัทธายตนะ ก็ถ้าอุป ป, ปาติกษสัตถ์แม้ผู้ไม่มีคานายตนะพึงมีไซพระผู้มีพระภาคเจ้าพึงต้องกรัดอายตนะสิบประการไว้สามครั้งด้วยอำนาจอุป ป, ปาติกรสัต์ผู้บอดหนึ่งผู้โหนกหนึ่งผู้ไม่มีคานายตนะหนึ่ง พึงต้องกรัดอายตนะเก้าประการไว้สามครั้งด้วยอำนาจอุปปาติกรัตร์ผู้ทั้งบอดทั้งหนวกหนึ่งผู้ทั้งบอดทั้งไม่มีคานายตนะหนึ่งผู้ทั้งหนวกทั้งไม่มีคานายตนะหนึ่งและพึงก้องกรัดอายตนะแปดประการไว้ด้วยอำนาจอุปปาติกรัตร์ผู้ทั้งบอดทั้งหนวกทั้งไม่มีคานายตนะแต่พระองค์ ก็มิได้ตรัสไว้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นอุปปาติกรสัตรจึงไม่มีความบกพร่องด้วยคานายตนะแลสมจริงดังคําที่ท่านพระอัตถคถาจาร์กล่าวไว้ในอัตถกถาคำภีรยมกปกรว่าอุปปาติกสัตรผู้ไม่มีคานายตนะไม่มีถ้าพึงมีไซพระผู้มีพระภาคเจ้าพึงรรตรัสว่าอุปปาติกรสัตรบางตน มีอาญตนะแปดประการปรากฏดังนี้ก็ภาวะที่เหล่าสังเสทิยัสัตว์ไม่มีคานายัตนะใครๆไม่สามารถจะห้ามได้เพราะพระบาลีว่าในขณะที่เหล่าสัตว์เกิดในกามมาตาดังนี้เป็นต้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสหมายถึงเฉพาะอุปปาติกะกำเนิด และเพราะตรัสหมายถึงเฉพาะคัพะสัส ย, ยกษัตัิย์เหตุสับว่าอายตนะเจ็ดประการไม่เกิดมีแก่สัตว์เหล่าอื่นส่วนแม้คำในอัตถกถาที่ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทำการรวมสังเสทชะกำเนิดเข้าในอุป ป, ปาติกะกำเนิดโดยเป็นกำเนิดที่มีอายตนะบริบูรณ์ จึงตรับอายตนะไว้สิบเอ็ดประการดังนี้พระอัฏฐกถาาจารย์กล่าวไว้ด้วยอำนาจรวมเหล่าสังเสริฐสัตว์เฉพาะที่มีอายตนะบริบูรณ์เข้าไว้ในพวกอุป ป, ปาติกสัตว์ส่วนอาจารย์อีกพวกหนึ่งทำการตกลงใจว่าในคัมภีร์มกปากรพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า คานายตนะกับชิวหายตนะมีปกติไปร่วมกันดังนี้จึงพนานาว่าสัตว์แม้ไม่มีคานายตนะไม่มีเลยเพราะสัตว์ไม่มีชิวหายตนะไม่เกิดมีแม้ในยมกปรกรณ์นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสว่าคานายตนะกับชิวหายตนะเหล่านั้นมีปกติ ไปร่วมกันด้วยอำนาจไม่เป็นไปในกาลมาพบแยกแยกกันอย่างนี้ว่าจักรวายตนะกับโสตายตนะย่อมเป็นไปแยกจากคานายตนะและชิวหายตนะในรูปประพบฉันใดคานายตนะกับชิวหายตนะจะเป็นไปแยกกันและกันฉันนั้นก็หามิได้ เพราะคานายตนะกับชิวหายตนะแม้ทั้งสองไม่เกิดขึ้นในรูปประพบดังนี้เพราะเหตุนั้นใครๆไม่สามารถจะกล่าวว่าเราสังเษตชาสัตว์ไม่มีคานายตนะก็หามิได้เราสัตร์ชื่อว่าคภะไส ย, ยกะเพราะอัตวิเคราะห์ว่านอนในคันคือในท้องของมารดาชื่อว่าคภะไส ย, ยกสัตย์เพราะอัตถวิเคราะห์ว่า ชื่อว่าสัตว์เพราะเป็นผู้คล่องในอารมณ์ทั้งหลายมีรูปารมณ์เป็นต้นคือผู้นอนในคันนั้นท่าสกสะสามประการที่มีปรากฏแก่เรลาอันดชาสัตว์และฉลาผู้ชาสัตว์ซึ่งท่านเรียกว่ากล ร, รูปเป็นหมวดเดียวกันมีขนาดเท่าหยาดน้ำมันที่หยดลงแล้วติดอยู่ ที่ปลายขนแกะแรกเกิดเส้นหนึ่งที่บุคคลจุ่มในน้ำมันงาใสแล้วยกขึ้นเป็นธรรมชาติผ่องใสเจ้าด้วยประการชนิดในการบางคราวย่อมไม่ได้ภาวะทศะก ก, กลาบด้วยอำนาจเหล่าสัตว์ที่เป็นกะเทยข้อว่า สโตปรังได้แก่ต่อจากปฏิสนธิการบทว่าประวัติกาเลความว่าในสัปดาห์ที่เจ็ดหรือในสัปดาห์ที่สิบอตามมาติของพระดีกาจารย์บทว่ากเมนะความว่าตามลําดับอย่างนี้คือโดยล่วงไปหนึ่งสัปดาห์ต่อจากจัขุทศกะ a ลาบมีปรากฏโสตะทศะก a ลาบจึงมีปรากฏ โดยล่วงไปอีกหนึ่งสัปดาห์ต่อจากนั้นคานทศกกะกลาบจึงมีปรากฏโดยล่วงไปอีกหนึ่งสัปดาห์ต่อจากนั้นไปชิวหาทศกกะกลาบจึงมีปรากฏความจริงแม้ในอัตถกถาพระอัตถกาถาจารย์ก็ได้แสดงเนื้อความนี้ไว้เสร็จแล้วบทว่าทิติกาลังได้แก่ซึ่งทิติกณะแห่งปฏิสนธิจิต ความจริงความสืบต่อแห่งรูปกะลาบที่เกิดพร้อมกับปฏิสนธิจิตย่อมให้อุตุจจรูปเกิดตามลำดับเป็นต้นคือความสืบต่อแห่งรูปกะลาบที่ถึงฐานะแห่งอุตุย่อมยังสุดทัตทะกะลาบให้ตั้งขึ้นในถิติขณะแห่งปฏิสนธิจิตนั้นความสืบต่อแห่งรูปกะลาบที่ถึงฐานะแห่งอุตุซึ่งเกิดขึ้น ในการนั้นย่อมให้สุดทัตถกะกลาบให้ตั้งขึ้นในพังคะขณะแห่งปฏิสนธิจิตนั้นข้อว่าโอชาภรนะมุ ป, ปาทายะความว่าสำหรับคับพพระไสยกษะสัยยะตรจำเดิมแต่โอชาที่มารดากลืนกินแล้วและสำหรับสังเสทชาสัตว์และอุป ป, ปาติกะสัตว จำเดิมแต่การที่โอชาแต่เสมหะที่อยู่ในปากเป็นต้นแผ่ทราบซ่านไปในร่างกายตามเส้นเอ็นอันเป็นเครื่องรับรส จ, จุติจิตมีในเบื้องบนของจิตดวงที่สิบเจ็ดนั้นเพราะเหตุนั้นจิตดวงที่สิบเจ็ดนั้นจึงชื่อว่ามีจุติจิตในเบื้องบน กรร ม, มชรูปทั้งหลายชื่อว่าย่อมไม่เกิดขึ้นเพราะในเมื่อจิตดวงที่สิบเจ็ดนั้นเกิดขึ้นโมรณะก็มีไม่ได้เพราะเมื่อกรร ม, มชรูปขาดลงสัตว์ท่านจึงเรียกว่าตายแล้วเหมือนอย่างที่ท่านพระโบราณอาจารย์กล่าวไว้ว่าอายุในวงเล็บชีวิตตินทรีย์ไออุ่นในวงเล็บเตโชธาที่เกิดแต่กรรมและวิญญาณในวงเล็บวิปากวิญญาณ ย่อมละร่างกายนี้ในการใดในการนั้นกายนี้ถูกทอดทิ้งนอนอยู่คล้ายท่อนไม้ที่ไร้ประโยชน์ฉะนั้นบทว่าปุเรตรังได้แก่ในอุปาทคณะแห่งจิตดวงที่สิบเจ็ดข้อว่าตโตเปวโวจิตชติความว่าจิตตชรูปและอาหารชรูปชื่อว่าตามที่เกิดแล้วเพราะ ไม่มีความเกิดขึ้นแห่งรูปเหล่านั้นในสันดานของสัตว์ที่ไม่มีชีวิตต่อแต่นั้นเป็นไปได้ชั่วเพียงเล็กน้อยแล้วดับลงส่วนอาจารย์อีพวกหนึ่งพัฒนาว่าจิตตะชรูปขาดลงก่อนจุติจิตทีเดียวเหตุในความไม่มีคานปราสาทรูปจิวหาภาษาทรูปและกายประษาทรูป ในโลกที่เป็นรูปราวจรข้าพระเจ้ากล่าวไว้เสร็จแล้วอันหนึ่งภาวรูปทั้งสองชื่อว่าไม่เป็นไปในโลกที่เป็นรูปราวจรนั้นเพราะภาวรูปทั้งสองนั้นเป็นอุปนิสัยแห่งสัตว์ผู้มีการมราคาหนาแน่นและพวกพรหมไม่มีการมราคาที่หนาแน่นนั้นและอาหารชะกลาบทั้งหลายชื่อว่า ย่อมหาไม่ได้เพราะความที่อาหารแม้ที่มีอยู่ในร่างกายโดยความเป็นอาหารที่สัตว์กลืนกินแล้วไม่มีการให้รูปตั้งขึ้นความจริงอุตุและอาหารภายในได้อุตุและอาหารภายนอกเป็นอุปนิสัยปัจจัยแล้วย่อมให้อุตุชรูปและอาหารระชรูปตั้งขึ้นได้ ที่ชื่อว่าชีวิตนวะกะได้แก่หมวดแห่งรูปมีชีวิตรูปเป็นที่ก้าซึ่งตั้งอยู่ในฐานเป็นกายะทศกัณกา์เพราะความไม่มีกายภาษาทรูปบทว่าอติริชติความว่ารูปที่มีอุตุเป็นสมุติฐานชื่อว่ายัางเหลืออยู่เพราะรูปแห่งเหล่าพรมที่เหลือ พึงหาได้ในปฏิสนธิการและประวัติการแต่ในเวลาตายเพราะพวกพรหมไม่มีการทอดทิ้งร่างกายไว้รูปที่มีสมุดฐานสามและรูปที่มีสมุดฐานสองของพวกพรหมแม้ทั้งหมดจึงดับไปพร้อมกันทีเดียวในรูปประพบชื่อว่ามีรูปยี่สิบสามอย่าง เพราะไม่มีรูปห้าอย่างคือคานะภษาทรูปชิวหาภาษาทรูปกายะปะสษาทรูปและภาวรูปสองส่วนอาจารย์บางพวกกล่าวว่าแม้วิการลรูปสามอย่างมีละหุตารูปเป็นต้นก็ชื่อว่าไม่มีในรูปประพบนั้นเพราะความไม่มีความกำเริบแห่งธาตุซึ่งเป็นตัวทำโความเฉยชาเป็นต้น คำของเกจิอาจารย์นั้นไม่มีเหตุผลเพราะว่าความเป็นไปแห่งธคมที่เป็นข้าศึกต่อวิกาล ร, รูปสามีลหุตารูปเป็นต้นนั้นหาเพ่งถึงรูปที่จะพึงเข้าไปสงบระงับไม่เพราะเมื่อมีประการเช่นนั้นวิการรูปสามประการมีลหุตารูปเป็นต้น ก็จะเกี่ยวข้องกับความไม่มีในกิริยาจิตที่เป็นสะเหตุุกะคำว่าสัตโทวิกาโรดังนี้เป็นต้นท่านพระอนุรุท ธ, ธาจารย์กล่าวไว้ด้วยอำนาจเป็นรูปที่ทั่วไปแก่สัตว์แม้ทุกจำพวกท่านพระอนุรุท ธ, ธาจารย์ครั้นชี้แจงถึงจิต เจตสิกและรูปโดยการจำแนกด้วยคำมีประมาณเท่านี้แล้วบัดนี้เมื่อจะชี้แจงถึงพระนิพพานจึงกล่าวว่านิพพานังปณะนะดังนี้เป็นต้นด้วยคำว่าพึงกระทาให้แจ้งด้วยมักคยานสนี้ท่านพระอนุรุธทธาจารย์ย่อมแสดงความที่พระนิพพานสาเร็จได้โดยชัดแจ้ง แกเหล่าพระอริยะบุคคลนั้นๆด้วยคำว่ามัคคภลานามาลมพนะภูตังนี้ย่อมแสดงความที่พระนิพพานสำเร็จได้ด้วยความคาดคะเนแก่เหล่ากัลยาณปุทุชนเพราะยานที่มีสังคตธรรมเป็นอารมณ์หรือที่มีบัญญัตธรรมเป็นอารมณ์ไม่สามารถในการตัดกิเลสได้เด็ดขาด และการสงบระ ง, งับกิเลสได้ส่วนยานเป็นเครื่องตัดกิเลสได้เด็ดขาดเป็นต้นมีอยู่ในโลกฉะนั้นจึงสำเร็จความว่าทำอย่างหนึ่งที่ตรงกันข้ามจากสังกัตธรรมและสมมุติธรรมซึ่งเป็นอารมณ์ของมรรคและผลที่ตัดกิเลสได้เด็ดขาดและทำความสงบระ ง, งับกิเลสได้ชื่อว่าพระนิพพาน มีอยู่ก็เพราะชี้แจงถึงความที่พระนิพพานสำเร็จได้โดยแจ้งชัดและโดยความคาดคะเนท่านพระอนุรุท ธ, ธาจารย์จึงคัดค้านวาทะของท่านผู้ปฏิบัติโดยสำคัญว่าเพียงความไม่มีชื่อพระนิพพานเพราะเหตุนั้นพอทีไม่ต้องพิสดารมากนะัก คุณชาติอันเป็นอารมณ์ของมรรคและผลท่านเรียกว่าพระนิพพานเพราะออกไปคือเป็นไปล่วงด้วยอำนาจล่วงเลยอารมณ์จากกัณหาชื่อว่าวานะเพราะร้อยรัตคือรวบรัธรรมที่เป็นไปในภูมิสามต่างด้วยขันเป็นต้นด้วยอำนาจเป็นไปในเบื้องต่ำและเบื้องสูง บทว่าสภาวะโตได้แก่โดยลักษณะสงบแห่งตนชื่อว่าอุปาธิเพราะอัตถวิเคราะห์ว่าถูกอุปาทานทั้งหลายมีกามุปาทานเป็นต้นยึดถือมั่นคําว่าอุปาธินี้เป็นชื่อขันห้าชื่อว่าอุปาธิเศตเพราะอัตถวิเคราะห์ว่าสภาวะที่เหลือจากกิเลสทั้งหลายคืออุปาธิชื่อว่าสัอุปาธิเศต เพราะอธิวิเคราะห์ว่าเป็นไปกับด้วยอุปาทิเศตนั้นชื่อว่าสอุปาทิเศสนิพพานธาตุเพราะอธถวิเคราะห์ว่านิพพานธาตุคือสอุปาทิเศตนั้นบทว่าการณะปริยาเยนะความว่าโดยอ้างถึงความมีและความไม่มีอุปาทิเศษอันเป็นเหตุในการบัญญัต ด้วยอำนาจอุปาทิเศ ส, สนิพพานธาตุเป็นต้นนิพพานชื่อว่าสุญยะคือชื่อว่าสุญญตะเพราะว่างจากราคะโทสะและโมหะโดยเป็นอารมณ์และโดยเป็นสัมปโยกอันหนึ่งชื่อว่าอนิมิตะเพราะเว้นจากนิมิตมีราคะนิมิตเป็นต้นชื่อว่าอปนิหิตะเพราะเว้นจากกิเลสเป็นเครื่องตั้งมัน่นมีราคะเป็นต้น อีกอย่างหนึ่งนิพพานชื่อว่าสุญญะเพราะว่างจากสังขารทั้งปวงชื่อว่าอนิมิตะเพราะไม่มีนิมิตแห่งสังขารทั้งปวงชื่อว่าอปนิหิตะเพราะไม่มีกิเลสเป็นเครื่องตั้งมั่นแห่งสังขารทั้งปวงนิพพานชื่อว่าอจุตะเพราะไม่มีการจุติชื่อว่าอจันตะเพราะก้าวล่วงที่สุดคือที่สุดรอบชื่อว่าสังขตะเพราะไม่ถูกปัจจัยทั้งหลายปรุงแก่ง ชื่อว่าอนุตตระเพราะไม่มีธรรมที่ยวดยิ่งกว่าตนหรือเพราะไม่มีสภาวะที่ยวดยิ่งอันจะพึงกล่าวรวมกันกับธรรมพระพุทธเจ้าทั้งหลายส่งพระนามว่าวานามุตตะเพราะเป็นผู้หลุดพ้นแล้วคือไปประด์แล้วโดยประการทั้งปวงจากธรรมชาติเป็นเครื่องรอยรัตคือจากกันหา พระพุทธเจ้าทั้งหลายส่งพระนามว่ามเหิสีเพราะอัตถวิเคราะห์ว่าสแสวงหาคือค้นหาธรรมที่มีคุณใหญ่ได้แก่ธรรมมีศีลละขันเป็นต้นคําว่าอิติจิตตังดังนี้เป็นต้นเป็นคํากล่าวย้ําถึงอัตแห่งพระพิธรรมมีจิตเป็นต้นที่ได้จําแนกไว้แล้วโดยปริเฉตทั้งหกพนานาความปริเฉต ที่หกในดิกาอภิธรรมมัตถสังหะชื่ออภิธรรมมัตถวิภาวิลีจบแล้วด้วยประการชนีพันานาความป ร, ริเฉตที่เจ็ดมีวาจาประกอบความว่าวัตถุธรรมทั้งหลายคือสภาวะธรรมทั้งหลายพร้อมทั้งลักษณะคือมีลักษณะคิดอารมณ์เป็นต้น มีเจ็ดสบสองประเภทคือจิตในวงเล็บหนึ่งเจตสิกในวงเล็บห้าสิบสนิพพานรูปในวงเล็บ18และพระนิพพานในวงเล็บหนึ่งข้าพเจ้าได้กล่าวไว้แล้วบัดนี้ข้าพเจ้าจะกล่าวสมุจจะยะสังหะคือหมวดสมุจจยธรรมซึ่งแยกประเภทเป็นอกุศลสังหะเป็นต้นแห่งวัตถุธรรมเหล่านั้นคือแห่งสภาวธรรมทั้งหลาย ตามที่ประกอบได้แก่ตามสมควรแก่การประกอบด้วยอำนาจสมุจยะสังคหะแต่ละหมวดการรวบรวมเฉพาะอากุสนธรรมด้วยอำนาจธรรมที่มีส่วนเสมอกันชื่อว่าอากุศลสังคหะการรวบรวมธรรมที่เจือปนกันด้วยอำนาจอุศลธรรมเป็นต้นชื่อว่ามิสกะสังคหะ การรวบรวมธรรมทั้งหลายซึ่งแยกประเภทเป็นสติปทานเป็นต้นอันมีในฝักฝ่ายอริยมรรคกล่าวคือตรัสรู้สัจจะคืออันเป็นไปในฝักฝ่ายปัญญาเครื่องตรัสรู้ด้วยอำนาจธรรมที่มีอัศเมอกันชื่อว่าภูธิปัิญสังคหะการรวบรวมธรรมทั้งหมดด้วยอำนาจขันเป็นต้นชื่อว่าสภาสังหะธรรม สมประการมีโลภะเป็นต้นวงและเปิดโลภะทิฏฐิและอวิชชาวงและปิดชื่อว่าอาสวะเพราะมีความหมายว่ามีความหมักดองอยู่นานเหตุที่สุดเบื้องต้นไม่ปรากฏหรือเพราะซึมซ่านไปในอารมณ์ทั้งหลายทางทวารหกมีจกักรุทวารเป็นต้นประดุดน้าเหลืองเสียที่ไหลซึมออกทางแผลฉะนั้น อีกในยะหนึ่งทำสามประการมีโลภะเป็นต้นชื่อว่าอาสวะเพราะอัตวิเคราะห์ว่าเมื่อกล่าวทางพบย่อมซึมสั้นไปคือเป็นไปจนถึงภวกัปพรมวงเละเปิดคืออรูปาวจรภูมิที่สี่ได้แก่เนวสัญญาณสัญญาญตนะภูมิวงเละปิดเมื่อกล่าวทางธรรมย่อมซึมสั้นไปคือเป็นไปจนถึงโคตรตะรภูธรรม ก็อาอักษรในบทว่าอาสวานีมีความหมายว่าเขตแดนก็เขตแดนมีสองอย่างคือเขตคันหนึ่งเขตกำหนดหนึ่งในสองอย่างนั้นเขตแดนที่การเกิดรยาไว้ภายนอกเป็นไปดุูในประโยคเป็นต้นว่าอาปาตาลิบุตตังวุฒโธเทโววงและเปิดฝนตกถึงเขตคันเมืองปาตาลิบุรวงและปิดดังนี้ เป็นต้นชื่อว่าเขตคันเขตแดนที่เป็นไปรอบคลุมกิริยาตลอดหมดดุจในประโยคเป็นต้นว่าอาภวะคังสัตโตอบพุกคโตวงเล็เปิดเสียงได้ระบือขึ้นไปตลอดถึงภวะเขารมวงเลปิดดังนี้ชื่อว่าเขตกาหนดส่วนอาอักษรในบทว่าอาสวานี้พึงเห็นว่าใช้ในความหมายว่าเขตกาหนด จึงอย่างนั้นทำสามประการมีโลผ้าเป็นต้นเหล่านี้ย่อมเป็นไปในภวะข้รมอันเป็นทั้งสถานที่เกิดทั้งเป็นอารมณ์และในโคตรรภูธรรมอันเป็นอารมณ์แลบัณฑิตพึงเห็นรูปความหมายว่าเมื่อทำอื่นๆมีมานะเจตสิกเป็นต้นซึซึมทราบไปถึงภวะข้รมและถึงโคตรรภู แม้มีอยู่ทำสามประการคือโลภะทิฏฐิและอวิชชาเหล่านี้เท่านั้นก็จำกัดไว้แล้วว่าเป็นอาสวะเพราะเป็นเช่นกับของหมักดองด้วยความหมายว่าเป็นเครื่องกระทำขวา ม, เมาเหตุให้ซุมซาไปด้วยอำนาจความยึดถือว่าเป็นตนและว่าเป็นของเนื่องกับตน อาสวะคือกามชื่อว่ากามาสวะได้แก่กามราคะความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจในรูปประพบและอรูปประพบชื่อว่าภาวาสวะได้แก่ความติดใจในฌานราคะเฉพาะที่สรคตรด้วยสัตสตทิทิฐิท่านรวมเข้าไว้ในภาวาสวะนี้นั่นเองบรรดาอาสวะทั้งสามนั้นอาสวะที่หนึ่งได้แก่ราคะในอุบัติภพ อาสวะที่สองได้แก่ราคะในกรรมภพอาสวะที่สามได้แก่ราคะที่เกิดพร้อมด้วยภาะวะทิฏฐิทิฏฐิหกสิบสองประการ<ม>ชื่อว่าทิฏฐาสวะความไม่รู้ในฐานะแปดคือในสัจจะสี่ 4, มีทุกขสัจเป็นต้นในที่สุดเบื้องต้นหนึ่งในที่สุดเบื้องปลายหนึ่งในที่สุดเบื้องต้นและที่สุดเบื้องปลายหนึ่งในปฏิจจสมุปบาทหนึ่ง ชื่อว่าอาวิชชาสวะห้วงน้ำท่านเรียกว่าโอคะเพราะไหลท่วมท้นไปหรือเพราะท่วมทับไปให้จมลงคือพัดพาไปเบื้องล่างได้แก่พัดให้จมลงกิเลสเหล่านี้แหละย่อมเป็นเหมือนไหลท่วมทับเหล่าสัตว์ไปคือ เป็นเหมือนกดเหล่าสัตว์ให้จมลงในวัฏฏะเพราะเหตุนั้นกิเลสเหล่านั้นจึงชื่อว่าโอคะเพราะเป็นเหมือนห่วงน้ําแต่ในอากุศลสังคหะนี้อาสวะนั่นเองท่านเรียกว่าโอคะเพราะอัดตามที่กล่าวแล้วกิเลสทั้งหลายชื่อว่าโยคะเพราะอัดทวิเคราะห์ว่าประกอบเหล่าสัตว์ไว้ในวัฏฏะหรือในัยยนคือพบด้วยกรรมวิบาก ด้วยพบอื่นเป็นต้นหรือด้วยทุกติดต่อกันได้แก่ทรรมที่กล่าวแล้วในเบื้องต้นนั่นเองกิเลสทั้งหลายชื่อว่ากายยัันธะเพราะอตวิเคราะห์ว่าร้อยรัดคือผูกพันไว้ซึ่งรู ป, ปกายด้วยนามกายหรือซึ่งอนาคตากายด้วยปัจจุบันนกกายให้แก้ได้โดยยากความยึดถือโดยประการอื่นคือโดยไม่จริงอย่างนี้ว่า ความหมดจดย่อมมีได้ด้วยศีลมีโคศีลเป็นต้นด้วยพรตและด้วยศีลและพรตทั้งสองนั้นชื่อว่าประรามาตความยึดมั่นคือความถือมั่นว่านี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าชื่อว่าอีทางสัจจาพินิเวสะที่ชื่อว่าอุปาทานเพราะอาจทวิเคราะห์ว่า ยึดถืออารมณ์อย่างนาแน่นคืออย่างมั่นคงเหมือนงูรัดกบฉะนั้นอุปาทานคือกามชื่อว่ากามุปาทานอีกอย่างหนึ่งที่ชื่อว่ากามุปาทานเพราะอาธถวิเคราะห์ว่ายึดกามมั่นความยึดถือศีลและพรษเป็นต้นอย่างนี้ว่าความหมดจดจากสงสารย่อมมีได้ด้วยศีลและพรษเป็นต้นของเรานี้ชื่อว่า สีลัพวตุปาทานที่ชื่อว่าวาทะเพราะอธถวิเคราะห์ว่าเป็นเครื่องกล่าวแห่งเหล่าชนวาทะของตนที่ท่านกำหนดไว้ยี่สิบประการด้วยอํานาจถ้อยคำที่แยกจากขันและถ้อยคำที่ไม่แยกจากขันชื่อว่าอัตตวาทะอุปาทานคืออัตตวาทะนั้นเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าอัตตาวุปาทาน ที่ชื่อว่านิวรณ์เพราะอัตวิเคราะห์ ว, ว่าห้ามกุศลลจิตที่จะเกิดขึ้นด้วยอำนาจฌานเป็นต้นคือไม่ยอมให้กุศลลจิตนั้นเกิดขึ้นได้อย่างนั้นอีกอย่างหนึ่งที่ชื่อว่านิวรณ์เพราะเพราะอาจว่าเป็นเครื่องกั้นปัญญาจากักขุ ที่ชื่อว่ากามชันทะเพราะอัถวิเคราะห์ว่าชื่อว่าฉันทะเพราะอาจว่าพอใจคือกามกล่าวคือขวามกำนัดอย่างยิ่งในกามคุณห้านิวรคือกามฉันทะนั้นเหตุนั้นจึงชื่อว่ากามฉันทะนิวรนที่ชื่อว่าพยาบาทเพราะอัถวิเคราะห์ว่าเป็นเหตุถึงขวามวอดวายคือขวามพินาศแห่งจิต โทสะมีเก้าอย่างเพราะเป็นปทฐานแห่งอากาตะวัตถุเก้าประการที่เป็นไปโดยนิยเป็นต้นว่าผู้นี้ได้ประพฤติสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เราหรือรวมกับความโกรธในฐานะอันไม่สมควรโทสะจึงมีสิบประการนิวรคือพยาบาทนั้นเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าพยาบาทนิวรน นิวรคือทีนะและมิทะชื่อว่าทีนะมิทะนิวร์อุทธะจากกุกุจานิวร์ก็เหมือนกันถามว่าก็เพราะเหตุอะไรทาที่ต่างกันเหล่านี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงกัดไว้เป็นคู่คู่โดยความเป็นนิวรธรรมแต่ละข้อตอบว่าเพราะทาเหล่านั้นมีหน้าที่อาหารและทาที่เป็นค่าศึกเหมือนกัน ความจริงทีนะนิวรณ์กับมิทะนิวรณ์มีหน้าที่ทําจิตุบาทให้ถึงความหดหู่เหมือนกันอุทธะจานิวรณ์กับกุกุจานิวรณ์มีหน้าที่ทําจิตุบาให้ไม่สงบเหมือนกันอันหนึง่งทีนะนิวรณ์กับมิทะนิวรณ์สองประการเบื้องต้นมีความเกิดครานและความบิดกายเป็นอาหารอธิบายว่าเป็นเหตุเหมือนกัน อุทธจาริวรกับกุกุจาริวรสองประการเบื้องต้นมีความตรึกถึงความพินาศแห่งญาติเป็นต้นเป็นอาหารเหมือนกันอันหนึ่งทีนันิวรกับมิทันิวรสองประการเบื้องต้นมีวิริยะเป็นค่าศึกเหมือนกันอุทธจารณิวรกกุกุจาริวรสองประการเบื้องหลังมีสมถะเป็นค่าศึกเหมือนกันแลเพราะเหตุนั้นพระโบราณอาจารย์ทั้งหลายจึงกล่าวไว้ ว่าก็บรรดานิวรธรรมเหล่านี้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้คงที่ทรงจัดที น, นิวรนกับมิทัณิวรนไว้เป็นข้อเดียวกันและทรงจัดอุทจนิวรนกับกุกุจัณิวรนไว้เป็นข้อเดียวกันเพราะนิวรธรรมเหล่านั้นมีหน้าที่อาหารและธรรมที่เป็นค่าศึกอย่างเดียวกันภาวะที่จิตตุบาทหดหู เป็นหน้าที่ของทีนะนิวรณกับมิทานิวรณ์อย่างเดียวกันภาวะที่จิตุบาทไม่สงบเป็นหน้าที่ของอุตรจนิวรณ์กับกุกุจจานิวรณอย่างเดียวกันความเกิดครานเป็นเหตุแห่งทีนะนิวรณกับมิทานิวรณ์อย่างเดียวกันความตรึกถึงญาติเป็นเหตุแห่งอุตรจนิวรณกับกุกุจจานิวรณอย่างเดียวกันวิริยะและสมถะเหล่านี้เป็นค่าศึกต่อนิวรธรรม เหล่านั้นสภาวะธรรมเหล่าใดย่อมนอนแนบสนิทอยู่ในสันดานเพราะอาจว่ายัางละไม่ได้อธิบายว่าได้เหตุที่เหมาะสมแล้วย่อมเกิดขึ้นได้เพราะเหตุนั้นสภาวะธรรมเหล่านั้นจึงชื่อว่าอนุใสความจริงกิเลสทั้งหลายที่ยังละไม่ได้เหมาะที่จะเกิดขึ้นได้ในเมื่อมีการได้เหตุ จึงเป็นประดุดนอนแนบสนิทอยู่ในสันดานเหตุนั้นกิเลส ท, ทั้งหลายที่กำหนดว่าจะเกิดขึ้นได้ในเมื่อมีการได้เหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงสรัสเรียกว่าอนุสัยก็กิเลสเหล่านั้นว่าโดยตรงทั้งที่เป็นอนาคตทั้งที่เป็นอดีต ท, ทั้งที่เป็นปัจจุบันบัณฑิตก็เรียกว่าอนุสัยอย่างนั้นเหมือนกัน เพราะมีสภาวะที่จะเกิดขึ้นได้นั้นก็ว่าโดยประเภทแห่งการทำทั้งหลายหามีความต่างกันโดยสภาวะไม่มีคำทวงว่าถ้ากิเลสทั้งหลายพึงเรียกว่าอนุสัยเพราะอาจว่ายังละไม่ได้ไซกิเลสทั้งหลายที่ยังละไม่ได้ก็พึงเป็นอนุสัยไปแม้ทั้งหมดมิใช่หรือ มีคำเฉลยว่าข้าพเจ้ากล่าวว่ากิเลสทั้งหลายชื่อว่าอนุสัยเพราะเหตุเพียงภาวะที่ยังละไม่ได้ดังนี้ก็หามิได้โดยที่แท้ข้าพเจ้ากล่าวว่ากิเลสทั้งหลายที่ถึงความรุนแรงชื่อว่าอนุสัยเพราะอัจว่ายัางละไม่ได้ ก็การถึงความรุนแรงได้แก่สภาวะาแผนกหนึ่งแห่งกิเลสทั้งหลายมีกามราคาเป็นต้นนั่นเองซึ่งมีไม่ทั่วไปกับกิเลสประการอื่นเพราะเหตุนั้นพอทีด้วยการกล่าวโต้แย้งอนุสัยคือกามราคาชื่อว่ากามราคานุสัยที่ชื่อว่าสั ญ, ญโยชตเพราะอัตวิเคราะห์ว่าประกอบสัตว์ไว้คือผูกพันสัตว์ไว้ สภ า, าวธรรมที่ชื่อว่ากิเลสเพราะอธถวิเคราะห์ว่าเป็นเหตุเศร้าหมองคือเข้าไปเดือดร้อนหรือลำบากแห่งจิตบทว่ากามะภาวนาเมนะวงเล็บเปิดโดยชื่อของกามและพบวงเล็บปิดได้แก่โดยชื่อของอารมณ์กล่าวคือกามและภพบทว่าตถาปวัตตังวงเล็บเปิดที่เป็นไปแล้วโดยประการนั้นวงเล็บปิดโดยอาจว่า ที่เป็นไปแล้วด้วยอำนาจอาการมีอาทิเช่นเชื่อมั่นศีลพรสเป็นต้นโดยประการอื่นท่านพระอนุรุท ธ, ธาจารย์กล่าวการรวบรวมบาปธรรมทั้งหลายที่ชื่อว่าอากุศลธรรมทั้งหลายไว้เก้าหมวดอย่างนี้คือว่าโดยวัตถุกล่าวคือว่าตามนิยี่กล่าวโดยธรรม อาสวะหมวดหนึ่งโอคะหมวดหนึ่งโยคะหมวดหนึ่งคันธะหมวดหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้หมวดละสามประการอุปาทานก็เหมือนกันคือตรัสไว้สองประการได้แก่โลภะเจตสิกกับทิฏฐิเจตสิกหมวดหนึ่งนิวรธรรมพึงมีแปประการหมวดหนึ่งเพราะ จัตถีนะเจตสิกมิทธะเจตสิกอุทธะจัจเจตสิกและกุกุจจะเจตสิกแยกจากกันอนุสัยย่อมมีหกประการเท่านั้นหมวดหนึ่งเพราะรวมกามราคานุสัยกับภวะราคานุสัยเป็นข้อเดียวกันโดยเป็นโลภะเจตสิกเหมือนกันสังโยชนินตกล่าวไว้เกประการหมวดหนึ่งเพราะรวมอกุศณธรรมทั้งหลาย ซึ่งเป็นโลภะเจตสิกเหมือนกันและรวมอกุศลธรรมทั้งหลายซึ่งเป็นทิฏฐิเจตสิกเหมือนกันที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในพระสูตรและในพระอภิธรรมทั้งสองเป็นอย่างละข้อส่วนกิเลสว่าทั้งด้วยอำนาจพระสูตรว่าทั้งด้วยอำนาจพระอภิธรรมย่อมมีสิบประการหมวดหนึ่งก็ในอากุศลสังขารนี้ มีการรวบรวมอกุศลธรรมทั้งหลายไว้เก้าหมวดอย่างนี้คือโลภเจตสิกมีในสังขารเก้าหมวดหนึ่งทิฏฐิเจตสิกมีในสังขารแปดหมวดหนึ่งโมหะเจตสิกมีในสังขารเจ็ดหมวดหนึ่งโทสะเจตสิกมีในสังขาห้าหมวดหนึ่งวิจิกิจจาเจตสิกมีในสังขารสี่หมวดหนึ่งมานาเจตสิกหนึ่งอุทธจารเจตสิกหนึ่งมีในสังขารอย่างละสาหมวด ทีน่เจตสิกมีในสังคหะสองหมวดหนึ่งบาปธรรม ท, ทั้งหลายคือกุกุจจะเจตสิกมิทธะเจตสิกอหิริกะเจตสิกอะโนตต ป, ปะเจตสิกอิ ส, สาเจตสิกและมัชเริยเจตสิกมีในสังขะอย่างละหนึ่งหมวดหนึ่งคำที่จะพึงกล่าวในเหตุธรรมทั้งหลายข้าพเจ้ากล่าวไว้เสร็จแล้วข้างตน้น ธรรมชาติที่ชื่อว่าองค์ฌานเพราะอัตวิเคราะห์ว่าชื่อว่าองค์เพราะอาจว่าอันท่านกําหนดไว้คือรู้ได้โดยความเป็นส่วนย่อยแห่งธรรมทั้งหลายที่ผุดขึ้นดังนี้เหล่านั้นด้วยชื่อว่าเป็นฌานเพราะอาจว่าเพ่งอารมณ์อย่างแน่วแน่กล่าวคือคิดเข้าไปถึงอารมณ์และเพราะอาจว่าแผดเผาธรรมที่เป็นค่าศึกตามสมควรด้วยก็แม้เมื่อไม่มีหมวดธรรมที่พ้นจากองค์ประกอบ สภาวะธรรมมีวิตกเป็นต้นบัณฑิตทั้งหลายก็เรียกว่าองค์ฌานโดยภาวะที่รวมกันเข้าเป็นฌานเปรียบเหมือนเรียกว่ากองทหารและตัวรถเป็นต้นโดยภาวะแห่งองค์ประกอบแต่และอย่างมารวมกันฉะนั้นก็ในบรรดาองค์ฌานเจ็นี้โทมนะเป็นองค์ฌานที่เป็นอกุศลองค์ฌานที่เหลือเป็นองค์ที่เป็นกุศลอกุศลและอัพยากฤต องค์ทั้งหลายอันเป็นทางแห่งสภาวธรรมทั้งหลายที่ชื่อว่ามรคเพราะเป็นเครื่องยังเราสัตว์ให้มุ่งหน้าไปถึงสุคติทุคติและพระนิพพานหรือองค์ทั้งหลายแห่งมรคมีองแปดประการชื่อว่าองค์มรคที่ชื่อว่าสัมมาทิฏฐิเพราะอัถวิเคราะห์ว่าเห็นโดยชอบคือโดยไม่ผิดก็สัมมาทิฏฐินั้นมีสิบอย่างด้วยอำนาจความเห็นชอบเป็นต้น ว่าทานที่บุคคลให้แล้วย่อมมีผลจริงดังนี้หรือมีสี่อย่างด้วยอำนาจกิจมีปริญญากิจเป็นต้นที่ชื่อว่าสัมมาสังกัปปะเพราะอัถวิเคราะห์ว่าเป็นเครื่องดําริโดยชอบแห่งเหล่าชนสัมมาสังกัปปะนั้นมีสามอย่างคือเนคขมะสังกัปปะอัพยาปาทสังกัปปะและอวิหิงสาสังกัปปะองมัต มีสัมมาวาจาเป็นต้นข้าพระเจ้าได้อธิบายไว้แจ่มแจ้งแล้วข้างต้นสภาวธรรมที่ชื่อว่าสัมมาวายามะเพราะอัถวิเคราะห์ว่าเป็นเครื่องพยายามโดยชอบแห่งเหล่าชนธรรมชาติที่ชื่อว่าสัมมาสติเพราะอัถวิเคราะห์ว่าเป็นเครื่องระลึกโดยชอบแห่งเหล่าชนก็ประเภทแห่งสัมมาวายามะและสัมมาสติเหล่านี้ ท่านพระอนุรุทธาาจารย์จักกล่าวไว้ข้างหน้าสภาวธรรมที่ชื่อว่าสัมมาสมาธิเพราะอัตวิเคราะห์ว่าเป็นเครื่องกั้งมั่นโดยชอบและสม่ำเสมอแห่งจิตเอกคตามีห้าอย่างด้วยอำนาจปฐมฌานเป็นต้นสภาวธรรมมีมิจฉาทิฏฐิเป็นต้นชื่อว่าเป็นองค์มรรคเพราะเป็นองค์แห่งทางไปสู่ทุกขติ ท่านพระอนุรุทธาาจารย์คำนึงถึงว่าทำทั้งหลายที่ยังจักขววิญญาณจิตเป็นต้นให้เป็นไปตามตนในทัศนกิจเป็นต้นอย่างเพศเป็นต้นให้เป็นไปตามตนในการเป็นไปในสันดานที่เกิดขึ้นพร้อมด้วยจักขวัวิญญาณจิตเป็นต้นนั้นโดยมากยังทำที่สัมปยุตด้วยกรรมชรูปที่เป็นอยู่ให้เป็นไปตามตนในการที่เป็นอยู่ อย่างสัมปยุตตธรรมทั้งหลายให้เป็นไปตามตนโดยเฉพาะในการที่รู้อย่างธรรมทั้งหลายที่เกิดพร้อมด้ <lending reconstruction> วยโสมนัสเป็นต้นให้เป็นไปตามตนในความที่ทำเกิดพร้อมด้วยโสมนัสเป็นต้นอย่างธรรมทั้งหลายที่เป็นไปด้วยอำนาจความเชื่อเป็นต้นให้เป็นไปตามตนในความเชื่อเป็นต้น ยังสาชาธรรมทั้งหลายซึ่งเป็นไปแล้วอย่างนั้นให้เป็นไปตามตนในการที่เป็นไปว่าเราจะรู้สิ่งที่ยังไม่รู้ให้ได้ด้วยธรรมเหล่านั้นแลและยังธรรมทั้งหลายที่เป็นไปด้วยอํานาจความรู้ทั่วเป็นต้นให้เป็นไปตามตนในความรู้ทั่วและในความเป็นผู้รู้ทั่วชื่อว่าอินทรีย์เพราะอาจว่าเป็นใหญ่ ดังนี้จึงกล่าวว่าจากขุนทริยังดังนี้เป็นต้นส่วนในอัฏฐกถาพระพุทธโกษาจาร์กล่าวอัดแห่งอินทรีทั้งหลายมีอัดว่าเชิดชูกรรมที่เป็นใหญ่เป็นต้นแม้อื่นอีกที่ชื่อว่าชีวิตตินซีได้แก่ชีวิตตินซีสองอย่างคือ รูป่าชีวิตอินทรีย์วงเล็เปิดชีวิตอินทรีย์ที่เป็นรูปวงเล็ปิดหนึ่งอรูป่าชีวิตอินทรีย์วงเล็บชีวิตอินทรีย์ที่เป็นนามวงเล็ปิดหนึ่งอินทรีย์ของท่านผู้ปฏิบัติโดยอัธยาศัยอย่างนี้ว่าเราจะรู้สิ่งที่ยังไม่รู้ในสงสารที่มีเบื้องต้นและที่สุดอันบุคคลรู้ตามไม่ได้แล้วคืออมาตตาบทหรือสัจธรรมสี่ประการนั่นเอง ชื่อว่าอนัญญาตัญยศสามีตินซีญาณใดย่อมรู้ทั่วถึงคือรู้ไม่เลยเขตแดนอันโสดาปฏิมักเห็นแล้วด้วยเป็นอินทรีย์ด้วยเพราะเหตุนั้นญาณนั้นชื่อว่าอัญญินรียอินทรีย์ของท่านผู้รู้ทั่วถึงแล้วคือของพระอระหันต์ผู้รู้แจ้งสัจจะสี่ประการแล้วดํารงในวงเล็บชีพอยู่ชื่อว่าอนยาตาวินทรีย์ ก็ในที่นี้เพื่อทรงอธิบายสภาวธรรมพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงกราสับว่าปัญญีสีไว้เพื่อทรงอธิบายหน้าที่พิเศษแห่งอัธยาศัยแห่งบุคคลจึงกราสับว่าอนัญญตัญญสสามีตินีเป็นต้นไว้